บทภาชนีนิสกิยภาจิตตี650อัจเจกะจีวรภิกษุสําคัญว่าอเจกกะจีวรทําให้เกินสมัยที่เป็นจีวรการต้องอบัตินิสกิยภาจิตตีอัจเจกะจีวรภพิสูตไม่แน่ใจทําให้เกินสมัยที่เป็นจีวรการต้องอบัตินิสกิยาภาจิตตีอัเจกะจีวรภิกษุสําคัญว่าไม่ใช่อัเจกกะจีวร ทำให้เกินสมัยที่เป็นจีวรการต้องอบัตินิสกิยปลาจิตตีจีวอนที่ยังไม่ได้อธิษฐานภิกษุสําคัญว่าอธิษฐานแล้วต้องอบัตินิสกิยปลาจิตตีจีวรที่ยังไม่ได้วิกลภิกษุสําคัญว่าวิกลแล้วต้องอบัตินิสกิยปลาจิตตีจีวรที่ยังไม่ได้สลัดภิกษุสําคัญว่าสลัแล้วต้องอบัตินิสกิยปลาจิตตีจีวรที่ยังไม่สูญหายภิกษุสําคัญว่าสูญหายแล้ว องอ ბ ัิสักียะปาจิตตีจีวรที่ยังไม่ฉิบหายภิกษุสําคัญว่าฉิบหายแล้วต้องอ ბ ันิสักียะปาจิตตีจีวรที่ยังไม่ถูกไฟไหม้พิกษูตสาคัญว่าถูกไฟไหม้แล้วต้องอ ბ ัติสักียภาจิตตีจีวรที่ยังไม่ถูกโจรชิงไปภิกษุสําคัญว่าถูกโจรชิงไปแล้วให้เกินสมัยที่เป็นจีวรการต้องอ ბ ัติสักียะปาจิตตีติกาทุกกฎ ภิกษุยังไม่ได้สละจีวรที่เป็นนิสกีใช้สอยต้องอบัตทุกกฎจีวรที่ไม่ใช่อจเจกัดจีวรภิกษุสําคัญว่าอจเจกัดจีวรต้องอบัตทุกกฎจีวรที่ไม่ใช่อจเจกัดจีวรภิกษุไม่แน่ใจต้องอบัตทุกกฎจีวรที่ไม่ใช่อจเจกัดจีวรภิกษุสําคัญว่าไม่ใช่อจเจกัดจีวรไม่ต้องอบัต